เป็น ไ, ไงได้รสชาติของความมิเวกบางไหมที่นี่สัปปายะนะสัปปายะเป็นสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนะเครือกูลเกี่ยวกับการปฏิบัติแต่ถ้าเราไม่มีความมิเวกนะเรามาอยู่ในที่สัปปายะอย่า ง, งี้เราก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรยังพยายามฝึกตัวเอง อย่าฟุ้งซ่านนะมองจ่อน้อยๆนะมองโลกหนะ่อยสัมผัสโลกข้างนอกนี้ที่สงบพานาไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งนะจิตกับโลกธาตุเนะสมอกันจะเท่าเทียมกันหลวงปู่ดุลท่านใช้บอกจิตกับธรรมชาติ ที่แวดล้อมอยู่เป็นสิ่งเดียวกันขอเราไม่เป็นสิ่งเดียวกันเราสังเกตไมจิตเราแยกตัวออกจากธรรมชาติเราละทิ้งการอนาเขตนี่คือตัวเราขอบเขตที่จริงเราก็าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ เป็นลอองเล็กๆไม่มีความหมายอะไรแต่ความสำคัญมั่นหมายนะมันทำให้เราแยกตัวออกมานี่คือเราที่จริงก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติแยกเป็นเราขึ้นมาเป็นเรื่องหลงผิดนะ เป็นเราเป็นเราสุดท้ายถูกเอาไปฝังเอาไปเผาไม่เห็นพูดอะไรเลยแล้ว ก, กลับไปอยู่ในความเป็นาธาตุเป็นทุลีชีวิตเราไม่ได้มีอะไรจริงจังนักหนาหรอกเวลาเราเผชิญกับสิ่งต่างๆเรารู้สึกว่าเรื่องพวกนี้จริงจังสำคัญมาก แตพอผ่านไปช่วงหนึ่งก็งั้นงั้นแหละอย่างบางเรื่องเรายุคนี้เราให้ค่ามากเลยผ่านไปช่วงหนึ่งไม่มีคุณค่าอะไรอย่างอย่างหนุ่มๆสาวๆนะั่งแย่งแฟนกันอนะไรเงี้ยแย่งมาได้มนะันผ่านไปช่วงหนึ่งไม่ได้มีราคาอะไรอยู่แล้วเบื่อ ทำาไงเราจะกลืนเข้ากับธรรมชาติได้นะมไม่ปฏิเสธธรรมชาติกลืนโมกลืนความสำคัญตัวสำคัญมั่นหมายกูอย่างโงน้นกูอย่างนี้มันตีกรอบขึ้นมาขังเราระหว่างสารานี้กับโลกข้างนอกเราลองดูสารานี้ถูกโลกข้างนอกล้อมไว้รู้สึกไหม ตัวเรานี้เล็กกว่าสารานี่ก็ถูกโลกนี้ห้อมล้อมอยู่เป็นส่วนละ อ, องเล็กๆส่วนหนึ่งถ้าเราปลดปล่อยใจของเราให้เป็นอิสระนะใจไม่มีขอบเขตใจกลืนเข้ากับธรรมชาตินะกลืนเข้ากับธรรมะทั้งหมดธรรมะมีสองส่วนนะธรรมะกับธรรมชาติธรรมชาติคือสภาวะที่ยังเกิดดับอยู่มีการเกิดมีการดับ ธรรมะเลยขึ้นไปไม่มีเกิดไม่มีดับเราเองแยกตัวออกจากธรรมชาติแยกตัวออกจากธรรมะค้งตัวเองไว้ในกรอบเล็กๆกรอบของเราเล็กนิดเดียวคือร่างกายยาววานาคืบกว้างสอกแค่เนี้ย เราปล่อยวางกายลงไปปล่อยวางจิตลงไปเราก็จะเข้าสู่สภาวะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่ไม่ได้ขังตัวเองไว้ในที่แคบๆอย่างเนี้ยเราคิดว่าข้างนอกนะน่ากลัวอันตรายสร้างโลกของตัวเองอยู่ข้างในอยู่ในศาลารู้สึกปลอดภัย งูคงไม่เข้ามาหรอกอะไรเงี้ยเราขังตัวเราเองไว้ในที่แคบแคบแต่เรารู้สึกว่าเราใหญ่เหลือเกินน่าสมเพ็นะน่าสำเพ็เวลาเราปลดปล่อยคุกที่ขังใจเราเออกไปได้ใจเราไม่มีขอบเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมา เป็นเนืเดียวกับจักรบาลกลืนเข้าด้วยกันมันอิสระคนอยู่ในห้องกับคนอยู่นอกห้องใครอิสระกว่ากันนี่เราอยู่ในคุกสร้างคุกขึ้นมาขังตัวเองไหมใจนี่คือเรานี่เป็นคุกอันหนึ่งร่างกายนี่ก็คือตัวเราก็เป็นคุกอีกอันหนึ่ง ขังเอาไว้สองชั้นต้องแหกคุกนะมีสติเข้าไป ม, มีสติมีสมาธิสมาธิคือสภาวะที่เราไม่ลืมตัวเองจิตใจอยู่กับเนกับตัว ม, มีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจคอยรู้สึกไปนะ ตัวที่คอยรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในกายในใจเรียกว่าสติมีใจตั้งมั่นใจอยู่กันน้กับตัวสมาธิต่อไปมันจะเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกคือปัญญายพยายามเรียนรู้ลงมาถึงวันหนึ่งเราแหกคุกเนี่ยออไปได้เป็นอิสระอย่างแท้จริงทุกวันนี้ดีแต่ความสำคัญมั่นหมาย ่ากูหน่กูหนึ่งกูเก่งกูเหนือคนอื่นมึงติดคุกมึงไม่เห็นมึงไม่ใช่ใครมึงชี้ตัวเองมึงโง่ทีไหมไม่รู้จักแหกคุกที่แหกคุกไม่ได้เลยอันแรกเลยไม่รู้ว่าติดคุกอยู่รู้สึกไหมถ้าเราสร้างกรอบอะไรขึ้นมาอันนึ่เราถูกขังเรียบร้อยแล้ว หลวงพ่อเคยไปสำนักปฏิบัติแห่งหนึ่งนะลิงเยอะมากเลยแล้วคนก็กลัวลิงสร้างกุฏินะแล้วก็มีลูกกลงเต็มเลยลิงก็เดินอยู่ข้างนอกคนอยู่ในกรุงใครจะอิสระกว่าใครนะคนจะทำอะไรก็ระแวงนะกลัวไปหมดเลยกลัวลิงทำร้าย หลิงเดินหน้าตาเฉยมีความสุขนะดูสิใครเก่งกว่าใครเราขังตัวเองขังตัวเองไว้ในใกายในใจนี่เองหมดความยึดถือกายกนะ็อิสระใหม้มาเยอะเลยหมดความยึดถือจิตนั้นะอิสระเต็มที่สุดเลยไม่มีขอบลนะ อ้าส่งกันบ้านว่าจะไม่เทศแล้วนะจะตรวจกันบ้านอย่างเดียวรู้เลยว่าจิตไม่ตั้งมั่นนะคะแล้วก็จิตไม่มีกําลังพอมาที่วัดถึงรู้ว่าเวลาเรารู้สึกตัวตอนอยู่ข้างนอกอะ่ะมันรู้สึกแต่มันไม่ไม่ถึงไม่ใช่รู้สึกจริงๆอ ะ, ค, ะค่ะรู้มันรู้อยู่ข้างนอกะตอนนี้ก็ย้อนกลับมาหายใจให้มีกําลังมากขึ้นนะคะอย่าทิ้ง มีหารธรรมน ะ, ท, ะทิ้งเครื่องอยู่ถ้าทิ้งไม่มีแรงเลฝึกไปที่ที่ทาใช้ส่วนมันเป็นหารธรรมก็เหมาะสมแล้วใช่ไหมคะหลวงพ่อทไปรู้สึกว่าดีขึ้นค่ะหลวงพ่อไปอยู่ไว้ค่ะถูกไหมว่าชีวิต ประจำวันภายนอกยังประมาทอยู่เยอะตั้งใจภาวนาะต่อไปเห็นไหมนักปฏิบัติจริงๆเขาไม่ส่งนบ้านยาวหรอกเป็นยังไงกําลังเป็นยังไงอยู่เราจบในวักเดียวสองวักประโยคนสองประโยชน์ก็ อ, อยู่กับเครื่องอยู่เราก็เห็นใจที่มันไหลไปคิดได้มากขึ้นค่ะหลวงดี<อ>ทําถูกแล้วทาถูกแล้วทําอีก ก็เพิ่งเริ่มปฏิบัตินะครับหลวงพอ่อตอนนี้อยู่กับลมหายใจอะไรนะตอนนี้ก็พยายามอยู่กับลมหายใจอะครับอยู่กับอะไรนะลมหายใจอ๋อลมหายใจครับแล้วก็ภานาพุโทโธควบคุมไปได้อยู่กับลมหายใจไม่ใช่เอาจิตไปเฝ้าให้ที่ลมนะแต่เห็นร่างกายมันหายใจรู้สึกตัวเห็นร่างกายหายใจรู้สึกตัว เห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้ารู้สึกไปะถ้าจิตเราไปจมอยู่กับลมมันก็ขังตัวเองเข้าไว้กับลมแทนที่จะอิสระแนละ้วติดคุกมากขึ้นอีกแน่นๆอึดอัดเพราะงั้นเราเห็นร่างกายหายใจแค่รู้สึกรู้สึกว่าร่างกายหายใจออกรู้สึกว่าร่างกายหายใจเข้านะมันมีลมสองลมนะ ลมหนึงคือลมหายใจจริงๆนะแต่พอจิตมันเริ่มสงบลงไปเนะี่ยมันพบว่ามันมีอีกลมหนึ่งนะมันคล้ายๆเวลาที่เราพาวนาเราหายใจนะีมันชาร์จมันสะสมออกซิเจนไวนะ้แล้วพอถึงจุดหนึ่งเนะี่ยตรงนี้ไม่ต้องหายใจแล้วมันใช้ลมหายใจข้างในนะที่มันสะสมไว้อยู่ได้นานเลย ยย่เมื่อทีพาวนาเลิกหายใจไปพักใหญ่ๆมันมีลมอีกก้อนหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งนะ่ลมอยู่ภายในมีอีกนั้นแล้วไม่ใช่นักปฏิบัติไม่รู้หรอกนักปฏิบัติคุยกันก็รู้เรื่องวเรื่อนี้ถือถูกจริตกับผมไม้มฮะอะไรนะถือว่าถูกจริตกับผมไหมถูกท่นไปก่อน สองวันที่มาเป็นปฐมที่นี่รู้สึกจะผมก็ตามลมตามลมหายใจเหมนกันรู้สึกว่าจิตใจมันว่างเปล่าครับไม่ได้ฝึกให้จิตว่างเปล่านะฝึกให้รู้ทันจิตหายใจไปจิตคิดรู้หายใจไปจิตฟุ้งซ่านรู้หายใจไปจิตสงบรู้นะหายใจไปจิตเป็นสุขก็รู้จิตเป็นทุกข์ก็รู้หายใจเราโลภ อยากดีอย่างน้นอย่างนี้ก็รู้หายใจเราหงุดหงิดก็รู้นพรหะฉะนั้นห้ใจเรารู้ทันจิตไปนะถึงจะเจริญถ้าหายใจเรารู้ลมหายใจเฉยๆมันก็เหมือนพวกฤาษีเขาทำใครจำเป็นจคือขอหลวงพ่อเขาจำเป็นจริงๆนะพ่อไม่ค่อยมีเสียงเท่าไหร่หรอกไม่ต้องพูดยาวนะคุยกับหลวงพ่อ ทีจ่จิตไม่้องพูดเลยก็ได้เขาเรียกว่ามองตาเขารู้ใจค่ะรายงานสภาวะเมื่อเช้าค่ะอตอนนี้ตื่นเต้นมเมื่อเช้าจิตบอกว่าถ้าเราไม่จงใจไม่ตั้งใจสมาธิจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญสมาธิจะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นสมาธิที่มันมีปิติแล้วก็เห็นกิเลสค่ะที่มันอยากรักษาอยู่ อย่างนั <mm ้นแหละเรียกภาวนาเป็นตื nement, um ่นเต้นมากค่ะลวงพ่อตื way. ่นเต้นก็รู้จิตขนาดนี nice ้ไม่เข้าฐานรู้ไหมจิตอยู่นอกขนาดนี้เริ่มบังคับจิตแล้วรู้ไหมนี่รู้ตัวรู้ตัวเองเป็นช็อตๆไปแล้วไงอีกเมื่อหกเดือนที่แล้วมันมีสภาวะจิตตั้งมั่นหลวงพ่อแต่ไม่รู้ว่าใช่จริงหรือเปล่า แต่เกิดแป๊บเดียวแล้วก็ <c oughs> หรือว่ามันสร้างเองหรือว่าเหมือนไม่ได้จงใจนะค่ะจงใจก็ไม่ใช่หรอกมันเป็นเองเราสั่งไม่ได้นะไปทำต่อไปสาธุค่ะจิตยังไม่ถูกนะสมาธิยัไม่ถูกตอนนี้เพ่งอยู่รู้สึกไหมนะแล้วจิตไม่เข้าฐานดูออกไหม เออถ้าดูออกว่าใช้ได้เห็นไหมหลวงพ่อถามสมาธิไม่ถูกรู้ไหมจิตไม่เข้าฐานรู้ไหมหลวงพ่อไม่ได้บอกเลยว่าให้ทำอะไรก็รู้อย่างที่มันเป็นเนี่ยมันก็เข้าฐานยิงนน่นอยู่ข้างหลังภาวนาแล้วมีความรู้สึกปารถนา ต้องการจะบวชนะฮะอืมก็เลยอยากจะขอคำแนะนำกับหลวงพ่อสำหรับผมอะครับว่าไปดูไปกิเลสอะไรเกิดบ่อยสังเกตไหมโทสะมันเกิดแทรกอยู่เรื่อยๆดูออกเปล่านะดูออกครับเออนั่นแหละดูกิเลสรอบไปั บ, บวชไม่บวชไม่สำคัญหรอกไม่ต้องคิดเยอะครับถึงวาระที่ควรจะบวชมันก็ได้บวชเองแหละที่นรนรอยากบวชไม่ได้บวชหรอก บ, บวชแล้วก็อยู่ไม่ได้ ยิ่ง ใ, ใจเรามีโทสะเยอะใจเราเจ้าความคิดเจ้าความเห็นอยู่ตรงไหนก็ไม่ค่อยมีความสุขค่ะี่เราต้องฝึกตัวเองจนกระทั่งอยู่ที่ไหนก็มีความสุขตรงนั้นควรจะบวชละวครับนะขอบคุณครับอยู่ที่ไหนนั่งอยู่นั่งเก้าอี้คนไทยหรือคนจีนเนี่ยดูยากคนไทยคนจีน กลับหลวงพ่อค่ะคือว่าโยมปฏิบัติถูกแล้วหรือยังค่ะถูกเป็นคราวๆถูกบ้างผิดบ้างไม่ถูกตลอดหรอกอย่างขนณะนี้ยผิดขนณเนี้ยบังคับจิตรู้สึกไหมรู้สึกเปล่าว่ามันบังคับไม่แน่นๆไม่รู้สึกไม่รู้สึกนีมก่มันแสดงว่าชํานาญในการบังคับ <c oughs> เวลาเผลอกับตอนเนี้ยใจไม่เหมือนกันดูออกไหม ตอนเผลอๆใจมันจะโล่งๆกว่านี้ะตอนลงมาปฏิบัติแล้วมันจะแน่นเนีย่ยตอนนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วจ้องเอาไ ม, มันก็อแน่นๆนั้นใจเราแน่นเราก็รู้นะใจเราเบาเราก็รู้คอยตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจตนเองไปเรื่อยๆที่ฝึก อ, อยู่ใช้ได้นะไปฝึก อ, อีกดูความเปลี่ยนแปลงไปมาถามหลวงพ่อว่าถูกหรือยัง คำถามนี้ต้องตอบว่าถูกบ้างผิดบ้างเพราะเราไม่ใช่พระอราหารันพระนาคายังมีถูกบ้างผิดบ้างเลยอย่างตอนนี้ใจเราหดลงไปนิดหนึง่งฝ่อลงไปนิดหนึง่งดูออกไหมค่ะหลวงพ่อบอกก็ถึงจะเห็นนั่นแหละตามรู้ไปนะที่หลวงพ่อบอกบอกไปงั้นแหละให้เราหัดดูสภาวะที่เรากำลังเป็นอยู่จริงๆรนะใจเราฝ่อลงไปนิดหนึงน่งแหนึกว่าหลวงพ่อจะชม พ่อพูดอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องด้วยอย่างเงี้ยใจมันหดลงไปเนี่ยแล้วก็รู้ว่ามันหดลงไปรู้อย่างที่เขาเป็นเนี่ยมันเริ่มเบิกบานขึ้นมาอีกแล้วรู้สึกไหมหลวงพ่อบอกถึงจะเห็นเออไปหาดเห็นด้วยตัวเองนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้ให้หลวงพ่อบอกจำเป็นไหมคะทีเออ่เราจะต้องแบบพอเห็นว่า กายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราเนี่ยอันนั้นเป็นหน้าที่ของปัญญาเออมันไม่ใช่หน้าที่ของเรามันจะรู้สึกเป็นเขาคาว์ถูกปัญญาไม่เกิดตลอดเวลาหรือยังหลายวันก่อนว่ายน้ำอยู่ก็จะเห็นตัวเองเหมือนในหนังผีอะค่ะเห็นตัวเองกำลังว่ายแล้วไอ้ที่มันว่ายมาก่อนมันหายไปแล้วก็ดับไปแล้วก็เดี๋ยวตัวใหม่ก็ว่ายเอออย่างนั้นแหละดีนะ ถ้าแต่รูปมันเกิดดับได้แล้วก็ที่รูปเกิดดับเนี่ยก็เพราะจิตเราทรงสมาธิใช่ค่ะมันจะเป็นดับจิตงสมาธิที่ถูกต้องเราก็จะเห็นเกิดปัญญามันจะนึกเจอเห็นก็เห็นก็จะเสียงคล้ายๆฟิฟิฟิเหมือนกับมันกระดับกระดับอย่างเงี้ยแต่ว่ามันทําเองแล้วก็นึกจะเป็นก็เป็นเราสั่งไม่ได้หรอกใช่เรามีหน้าที่เจริญสติไปฝึก ภาวนาอยู่แต่เครื่องอยู่ของเราจิตหนีแล้วรู้ไปนะเราออกไปอยู่ข้านอกก็ค่อยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปถึงจุดหนึ่งปัญญามันก็เกิดทีหนึ่งนานๆเกิดทีหนึ่งไม่เกิดทุกวันหรอกบางทีทั้งเป็นเดือนเลยกว่าปัญญาจริงๆจะเกิดครั้งหนึ่งที่ทั้งสองสามเดือนเลยดีภาวนาถูกแล้วขอบพระคุณค่ ของหนูถนัดดูกายนะหนูดูกายเป็นฐานไหม <Okay. S 1> ไม่ถนัดดูจิตหรอกเพราะว่าดูสภาวะของจิตไม่ชํานาญนะเนี่ยร่างกายพยักหน้ารู้สึกไหมก็รู้ค่ะเ อ, อมันไม่ใช่เราเห็นไหมไม่ใช่บอกหลวงพ่อบอกเลยรู้ค่ะเห็นไหมไม่เหมือนกันเมื่อเราถนัดดูกายเราดูกายเป็นฐานไหมนะแล้วอย่างที่เรารู้ว่ากายเป็นตัวทุกข์จิตเป็นตัวทุกข์นนเป็นขังเรายัางคิดอยู่อ๋อ อ๋อนี่เราคิดเองใช่ไห ม, มถ้ามาเห็นจริงๆนะมันปิ้งมันขาดเลยเห็นทีเดียวเท่านั้นก็ตัดแล้วอยู่ที่ไหนเอ่ยครับเดิมเดิมที่ฝึกโดยวิธีเด็กตามดูลมหายใจตลอดเวลานะครับแล้วก็มีความเสถียรบางครั้งมาจะเกิด การขนลุกเปน้ําตัวนะครับแต่ว่าจิตมันก็ยังมีรักเกิดเป็นๆนะครับต่อหลังก็เลยเปลี่ยนมาวิธีติดตามความคิดของจิตว่าจิตคิดอะไรแต่ว่าก็ไม่ได้มีความรู้สึกในความคิดนั้นนะครับจิตมันก็มีฟ้าสุกรเบาขึ้นก็เลยอยากากเปลี่ยนถามหลวงพ่อว่าวิธีหลังนีมน้มันมาถูกทางแล้วหรือยังครับรู้เรื่องที่คิดหรือรู้ว่าจิตแอบไปคิด คือคือเห็นเห็นว่าจิตมันคิดอะไรแต่ว่าเราไม่ได้เติมความรู้สึกลงไปในสิ่งที่คิดนั้นนะครับคิดอะไรเช่นกรณีว่าคิดว่าเออข่าวที่เราดูเมื่อหัวค่าเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอาชญากรรมหรือว่าการทะเลาะบ่าอบบอแวงนะครับตอนที่ดูข่าวแล้วก็มีความรู้สึกว่าคนสมัยนี้มันมีความรู้สึกว่าอารมณ์ร้อนอืแต่ณตอนที่เราฝึกอยู่เนี่ยเราก็จะไม่มีความรู้สึก ว่าเข้าเป็นคนหัวร้อนหรือไม่หัวร้อนนะครับมีความสุกว่าเราได้เห็นว่าสิ่งที่เราคิดคืออะไรจิตมันก็เบาขึ้นนะครับก็เลยกลัยเร็นว่าเราได้ฝึกมาถูกทางหรือยังครับยังยังไม่ถูกนะครับเราแค่รู้ว่าจิตคิดส่วนี่คิดเรื่องอะไรไม่สำคัญหรอกขนะองโยมมันไปให้ความสำคัญกับเรื่องที่คิดออคนี่พอเราคิดแล้วเราสบายใจมีความสุขขึ้นมากลัใจก็เบา ยังไม่ถูกนะให้รู้ว่าจิตคิดไม่ใช่รู้เรื่องที่จิตคิดครับนะ ข, อขอบคุณของพ่อครับของโยมมันคิดเดยอะไปนะให้รู้สึกเอาเปลี่ยนจากคิดนะเป็นรู้สึกเอค ร, รู้สึกว่าตอนนี้กำลังมีความสุขรู้สึกว่าเนี่ยมันมีความทุกข์รู้สึกว่าตอนนี้โกรธรู้สึกว่าตอนนี้วิจารคนอื่นนะแล้วก็ใจมันพองอะไรกูเก่งอะไรอย่างเงี้ย รู้สึกถึงจิตใจของตนเองไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดออกแต่รู้สึกถึงความรู้สึกของตัวเอง ค, นะความรู้สึกมันตามหลังความคิดมาอยู่ที่ไหนนี่อยู่ข้างหน้านี่ใจยังฟุ้งซ่านนะฟุ้งอยู่สงสัยรู้ไหมอยู่ข้างหน้านี้เลยไปส่งไป ม, มาตรงมาเลย อยู่ชิดเสาใจหนีไปอยู่ที่ไม่แล้วรู้ไหมถามนมาส ก, การเช้ยค่ะยมมีความรู้สึกว่าเวลายมใช้วิหารธรรมคือการเจริญอาณาปณสติเวลาทำในารูปแบบยมมีความรู้สึกว่ายมไม่สามารถที่จะแยกได้ว่า เวลาจิตไหลไปอยู่กับลมนะเจ้าค่ะว่าอย่างตอนนี้จิตไหลไปคิดรู้ไหมทราบเจ้าค่ะเนื้อหารู้ทันบางทีจิตไหลไปไหนเราไม่เห็นอันนะี้มันก็มีวิธีซ้อมนะจงใจไหลเลยลองกำหนดจิตไปที่ผมซิที่ผมส่งจิตไปที่ผมเออเปลี่ยนมาอยู่ที่หัวแม่มือซิ เนี่ยซ้อมอย่างนี้นะจิตเราไปอยู่ที่ผมเราก็รู้จิตไปอยู่ที่หัวไม่มือหัวไม่เท้าอะไรก็รู้ไล่อยู่ในกายเนี่ยต่อไปพอจิตมันเคลื่อนไปทางไหนมันก็จะรู้อันนี้ซ้อมเพื่อจะได้รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาแต่ที่จิตเราการรู้ลมก็พอแล้วล่ะะรู้ลมไปแต่ว่ามีบริกรรมด้วยไหมหรือรู้ลมอย่างเดียว ยงเคยส่งอารมณ์กับหลวงพ่อนานแล้วเจ้าค่ะหลวงพ่อบอกให้พุโทโธแล้วจิตมันก็พุโทโธได้ไม่เท่าไหร่มันก็ไม่ชอบเจ้าค่ะก็ก็เลยเรู้แต่ลมเจ้าค่ะอะไรนะก็เลยเพยายามจะรู้สึกถึงการดูลมเจ้าค่ะเราทําให้หลวงพ่อดูซิจงใจอะไไป ใช้ใจปกติไปรู้ร่างกายหายใจจิตแอไปหาอะไรแล้วรู้ไหมไม่ทราบะมันสายสายสา ย, สายออกไปน ะ, ค, ะคืออีกเรื่องหนึ่งคือยมฟุ้งซ่านมากนั่นแหละมันฟุ้งซ่านนะงั้นหายใจเข้าแล้วบริกรรมพุทธหายใจออกโทไปนะลมอย่างเดียวเอาไม่อยู่เมื่อกี้ดูลมนะจิตสายไปสายมาเลย เหมือนว่าวต้องลมอ่ะคือมันเป็นอย่างนี้เจ้าค่ะเราโยมอยู่ไกลมากมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทไปดูลมอย่างเดียวเบาไปใจจะสายใจจะหนีเจ้าค่ ะ, ะที่หลวงพ่อให้พุทโธพุทโทนะส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่ฟุง้งซ่านพุทโทเป็นความคิดแต่เราจงใจคิด พอเราเผลอมันจะคิดเรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องที่เราตั้งใจจะคิดคือไม่ใช่เรื่องพุทธโธอย่างที่ทองพุทธโธเพื่อจะได้รู้ทันเวลามันหนีพุทธโธไปอวว่าไปของการบ้านครั้งแรกครับฟังหลวงพ่อครั้งแรกก็รู้ว่าตื่นแล้วครับ ก็ปฏิ บ, บัติมาเรื่อยๆไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างครับพูดดังนิดเถอะยกชงใหม่ต่างๆนี้ก็ปฏิ บ, บัติมาเรื่อยๆครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นแล้วล่ ะ, ะ, ะรู้สึกเปล่าใจเราเดี๋ยวนี้ก็แต่ก่อนไม่เหมือนกันแล้ว <c oughs> นะใจมันตื่นขึ้นมาแล้วพอใจมันตื่นแล้วก็ดูขันมันทํางานไปนะกายก็ส่วนกายความรู้สึกก็ส่วนความรู้สึกจิตก็ส่วนจิต ด, นะดูมันทํางานแต่และตัวแต่ละตัว เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับไปเรื่อยๆดูอย่างนี้เรื่อยๆครับที่ฝึอกอยู่ดีใช้ได้ขอบคุณมากครับจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาถูกแล้วนู้นอยู่ข้างหลังนั่งอยู่ตรงทางเดินกราบนรรมสการหลวงพ่อค่ะว่างไงการาบนรรมสการหลวงพ่อค่ะเออได้ยินแล้วว่างไง ฟัง t u b e หลุงพ่อมาประมาณปีฝ่าแล้วค่ะอืแล้วก็ทําตามที่หลุงพ่อสอนเออตามดูตามรู้แล้วก็ทําแบบอย่างเช้าเย็นค่ะอืมแล้วนี้อยากจะมาถามลุงพ่อว่าที่ทําอยู่เนี้ยมันถูกต้องไหมรู้ไหมว่าถูกหรือเปล่า <c oughs> เห็นเห็นพัฒนาการไหมเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหม <c oughs> นั่นแหละมันถูกแล้วล่ะ อย่างใจเราเดี๋ยวนี้มันโปร่งกว่าแต่ก่อนดูออกไหมอยากจะรู้ว่าขันมันจะแยกได้อย่างหพอแยกบ้างหลวมบ้างอย่างตอนเนี้หลงไปคิดแล้วรู้สึกไหมดู ก, กายไหมอะไรนะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ยินรู้สึกร่างกายอะไรนะฟูไม่ได้ยินอืมไ ม, ไ, ไม่ได้ยิน อยู่ลาดพ้าวหลวงพ่อเมื่อก่อนหลวงพ่ออยู่เมืองนนท์นะไม่ดไม่เป็นไรค่อยเนี่ยร่างกายนั่งอยู่ก็รู้ร่างกายหันไปหันมาก็รู้นะเนี่ยร่างกายพยักหน้าก็รู้เรายิ้มซ้ายยิ้มเนี่ยร่างกายยิ้มะร่างกายยิ้มก็รู้นะคอยรู้สึกร่างกายไปเรื่อยๆนะ ซาตส์ไปมันเห็นจีตเองแหล ะ, ะไม่รู้จะถามอะไรหลวงพ่อให้หลวงพ่อบอกมันแล้วกะไม่รู้จะถามอะไรนั่นแหละดูร่างกายไว้อย่าให้ใจล่องลอยหนีไปอย่างน้อยมีร่างกายเหลืออยู่ก็ยังดีรู้สึกมันไปเรื่อยๆแล้วก็ต่อไปก็ทําความรู้สึกร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเหมือนอุโมงค์เหมือนถ้า จิตมาอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวรไม่นานร่างกายก็แตกสลายไปตัวนี้ได้ยินไหมใครช่วยแปลหน่อยผู้เฒ่าฟังลำบากนะเอาเชิญกลับบ้าน